วันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจให้หยุดการทำงานภารกิจทางด้านที่พึ่งทางร่างกาย ให้มาสร้างที่พึ่งทางใจหนึ่งวันเพราะการที่ใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ใจจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจ เรามีเวลาอาทิตย์ละเจ็ดวันด้วยกันส่วนใหญ่เราจะ เ, าเวลาไปให้กับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายคือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและ เวลาที่เหลือเราก็ไปหาความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายกันซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแล้วก็มาสร้างความทุกข์ใหม่ให้กับใจ เวลาความสุขที่ได้นั้นมันหมดไปใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่นี่คือเวลาส่วนใหญ่ของผู้ที่ไม่เห็นความสำคัญของการสร้างที่พึ่งทางใจต้องจะเอาเวลาทั้งหมดนี้ให้กับการสร้างที่พึ่งทางร่างกาย และหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะคิดว่าเป็นวิธีการดับความทุกข์ต่างๆทั้งถังทั้งของร่างกายและของจิตใจไปพร้อมๆกันแต่ถ้ามาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่า ที่พึ่งของร่างกายความสุขของร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้เ<ม>พราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันที่พึ่งของร่างกายก็ดับความทุกข์ของร่างกายได้แต่ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ สิ่งที่จะมาดับความทุกข์ทางใจก็คือที่พึ่งทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้มาสร้างกันในวันหยุดทำงานหนึ่งวันการให้มาสร้างในการ ในวันหยุดทำงานหนึ่งวันนี้ก็เพื่อที่จะได้มีเวลาได้มาสร้างที่พึ่งทางใจให้เห็นผลที่เกิดจากการสร้างที่พึ่งทางใจว่าช่วยดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแท้จริงและเมื่อได้เห็นผลที่เกิดจากการสร้างที่พึ่งทางใจ แล้วก็จะได้อยากจะทําให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจเพราะเวลาใดที่ไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจเวลานั้นมักจะเป็นเวลาที่จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่เวลาที่สร้างความทุกเวลาที่สร้างที่พึ่งทางใจ ความทุกข์มักจะไม่ค่อยเกิดหรือเกิดขึ้นน้อยหรือบางครั้งเกิดแล้วก็ถูกที่พึ่งทางใจนี้ดับไปได้อย่างทันตาเห็นอย่างชัดเจนจึงทำให้เห็นความสำคัญของการสร้างที่พึ่งทางใจมากขึ้นแล้วก็จะ เริ่มเปลี่ยนวิธีดับความทุกข์ทางใจจากการที่ไปหาความสุขทางกายก็จะเปลี่ยนมาปฏิบัติธรรมมาสร้างที่พึ่งทางใจให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ของใจให้ได้มากขึ้นไป ถ้าเห็นความสําคัญของการสร้างที่พึ่งทางใจแล้ว<ม>ก็จะหาเวลาให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจให้มากขึ้นไปเรื่อยๆและลดเวลาในการหาที่พึ่งทางร่างกายให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนเหลือน้อยที่สุดเหลือเท่าที่จาเป็นเท่านั้นก็พอ ที่พึ่งทางร่างกายเช่นปัจจัยสี่นี่มีหลายราคาด้วยกัน<ม>อาหารก็มีหลายราคา<ม>เครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าก็มีหลายราคา<ม>บ้านที่อยู่อาศัยก็มีหลายราคา<ม>ยารักษาโรคก็มีหลายราคาด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเป็นราคาแพงหรือราคาถูก มันก็ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของร่างกายได้เท่าเทียมกันเช่<ม>นอาหารมื้อละห้าร้อยบาทกับอาหารมื้อละร้อยบาทนีม่มันก็ดับความหิวทางร่างกายได้เท่าเทียมกันเส<ม>ื้อผ้าพรชุดละห้าพันกับชุดละพันนี่ ม, มันก็เป็นเครื่องสวมใส่เพื่อปกปิดอวัยวะของร่างกาย และเพื่อป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นอากาศที่หนาวเย็นหรือภัยจากมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือของคมของแหลมต่างๆที่อาจจะมาทิ่มแทงหรือหรื อ, อขีดขวดขีดขวนให้เกิดแผลขึ้นมาก็ได้ เสื้อผ้าผ่อนก็มีหน้าที่ป้องกันภัยที่จะมาทำ้ายร่างกายจะเป็นราคาห้าพันหรือราคาพันหนึง่งมันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันที่วัสดุก็มีหลายราคาด้วยกันมีตั้งแต่ราคาแสนขึ้นไปเป็นราคาร้อยล้านพันล้านก็มีแต่มันก็ทำหน้าที่เป็นที่หลบแด ด, ดบฝน ลอภัยต่างๆให้แก่ร่างกายได้เหมือนกันยารักษาโรคก็มีหลายราคาที่รักษาโรคพยาบาลก็มีหลายราคา<ม>ของรัฐบาลก็สามสิบบาทร<ม>ักษาทุกโรค<ม>ของเอกชนก็สามหมื่นหรือสามแสนรักษาทุกโรค<ม>แต่ก็รักษาได้เหมือนกันถ้าจะหายมันก็หายได้เหมือนกัน ถ้าจะตายมันก็ตายได้เหมือนกันโ mm hmm. รงพยาบาลเอกชนที่มีราคาแพงๆไม่ใช่จะรับประกันว่าผู้ที่ไปรักษาแล้วจะไม่ไม่ตายจะหายกันทุกคน mm hmm. คนที่ไปรักษาแล้วตายที่โรงพยาบาลเอกชนก็มีเยอะแยะไป mm hmm. เพราะฉะนั้นการเสียงเงินมากๆ mm hmm. เพื่อให้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปอย่าง แควคาดปลอดภัยหรือดับความทุกข์ทางทางร่างกายนี้มันก็ <c oughs> ไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงๆเพราะว่าการที่ใช้ของแพงๆใช้ปัจจัยที่ปัจจัยสีที่มีราคาแพงมันก็จะต้องทำให้ต้องเสียเวลาให้กับการไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงดูร่างกาย มาสร้างที่ครึ่งทางร่างกายถ้าของแพงมากก็ต้องใช้เวลาหาเงินหาทองมากมันก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการสร้างที่เครื่องทางใจบางคนนี้ไม่มีเวลาเลยแต่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายมีเงินเป็นล้านมีบ้านเป็นล้าน มีรถเก๋งเป็นร้านมีอะไรราคาแพงงเต็มไปหมดมแต่ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างที่พึ่งทางใจไม่มีเวลามาวัดเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนได้เลยเพราะมัวแต่เอาเวลาไปกับการหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกาย หาเงินหาทองมาเพื่อมาซื้อบ้านราคาแพงๆซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆซื้ออาหารราคาแพงๆซื้อยารักษาโรค ซ, ซื้อประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆด้วยเงินราคาแพงๆกันก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างที่พึ่ ง, งใจที่พึ่งทางร่างกายมีมาก แต่ที่คึื่นทางร่างกายไม่สามารถมาระงับมาดับความทุกข์ทางใจได้<ม>คนที่มีเงินมากๆใช้ของแพงๆนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความทุกข์ทางใจ<ม>บางทีเขามีความทุกข์ทางใจมากกว่าคนขอทานเสียได้ซ้ำไป<ม>คนขอทานนี้ไม่ค่อยมีความทุกข์ทางใจเท่าไหร่<ม>อาจจะมีความทุกข์ทางร่างกายแต่ก็พอ พออยู่ได้<ม>ขอทานเขาก็อยู่ของเขาได้<ม>อาหารเขาก็มีกินตามมีตามเกิดไปที่อยู่อาศัยเขาก็อยู่ไปตามมีตามเกิดอยู่ใต้สะพานก็ได้อยู่ใต้ใต้นไม้ก็ได้อยู่ที่ไหนที่พอจะหลบแดดหลบฝนได้เขาก็อยู่ไป<ม><ม>แต่เขาจะไม่ค่อยมีความทุกข์ทางใจเพราะเขาไม่มีความกดดันที่จะต้องไป หาเงินหาทองเพื่อที่จะมาใช้ซื้อของราคาแพงๆให้แก่ร่างกายนั่นเองดั <c oughs> งนั้นถ้าเราต้องการที่จะมาดับความทุกข์ทางใจ <c oughs> เราต้องลดเวลาการหาที่พึ่งทางร่างกาย หาเงินหาทองเพื่อมาซื้อปัจจัยสให้แก่ร่างกายแล้วก็เพื่อเอาเงินทองมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นการดับความทุกข์แบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลับเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นใหม่เรื่อยเพราะการเสพลูกเสียงกลิ่นรสผงสะพานี้เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติด เวลาได้เสพยาเสพติด<ม>ผู้เสพก็จะมีความรู้สึกมีความสุขเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์<ม>ความทุกข์ทางใจนั้นจะหายไปชั่วคราวแต่พอฤทธิ์ของยาเสพติดนั้นหมดกำลังลงแล้ว<ม>ความสุขที่ได้จากยาเสพติดมันก็จะจางหายไปพอไม่มีความสุขแล้วความทุกข์ ที่เคยมีอยู่มันก็กลับคืนเข้ามาสู่ใจใหม่มาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจถ้าไม่ได้ไปหายาเสพติดมาเสพใหม่ใจก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่งจนกระทั่งทนไม่ไหวก็ต้องไปหายาเสพติดใหม่มาเสพมาเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเสพไปมากๆเข้าต่อไปก็เป็นภัยต่อร่างกายได้ ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแก่ความตายได้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่กาจัดความทุกข์ที่ถูกต้องวิธีที่จะกาจัดความทุกข์ที่ถูกต้องนี้ต้องเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองพระองค์ก็เคยดับความทุกข์ทางใจด้วยการ หาปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆเป็นพระราชโชรอรสของกษัตริย์มีปราสาทที่อยู่อาศัยสามฤดูสามหลังด้วยกันไม่คอยเปลี่ยนไปตามฤดูกาลถ้าฤดูร้อนอยู่ที่นี่มันร้อนก็ย้ายไปอยู่ที่ปราสาทที่มีอากาศเย็นถ้ามีอากาศถ้ามีฝนตกหนักก็ย้ายไปอยู่ ไ่ที่ภาษาที่ไม่มีผลแต่ถึงแม้จะเปลี่ยนไปได้อย่างไรก็ตามมันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรความทุกข์มันก็ตามมาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> และในที่สุดความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองร <c oughs> ่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขเพื่อมาดับความทุกข์นี้มันก็จะเข้าสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายไปในที่สุดเมื่อมันไปถึงเวลานั้นแล้วการที่จะใช้ร่างกายใช้เท่าของเงินทองต่างๆใช้ปัจัยสิใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆนี่ มาดับความทุกข์ทางใจนี้ดับไม่ได้เลย mm hmm. เพราะว่าร่างกายก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีอะไรร mm hmm. ่างกายเองก็เพียบด้วยความทุกข์ทางร่างกาย mm hmm. ก็เลยมีทั้งความทุกข์ทั้งทางร่างกายและความทุกข์ทั้งทางใจมากระหน่ำใส่ใจอย่าง mm hmm. อย่างมากจนทำให้ไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไปในโลกนี้เลย mm hmm. มีคนที่ฆ่าตัวตายกันมากมายเวลาที่ต้องเจอกับความทุกข์ทั้งสองด้านทุกทางร่างกายและทุกทางใจที่เข้ามาพร้อมๆกันก็เลยใช้วิธีหนีความทุกข์ด้วยการไปฆ่าร่างกายฆ่าตัวตายแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีแก้ความทุกข์ของใจ พอความทุกข์ของใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์ของใจมันอยู่ที่ใจและเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายการร่างกายก็ไม่ได้ไปดับความทุกข์ทางใจแต่อย่างใดใจก็ทุกข์ต่อไปใจที่ตายด้วยความทุกข์ก็จะไปอยู่ในอบายที่มีแต่ความทุกข์<อ>เช่นไปอยู่ในนรกเป็นต้น ถ้าตัวตายแล้วก็ใจก็จะทุกข์ทรมานแบบไปเหมือนตกนรกพอร่างกายตายไปแทนที่ความทุกข์ใจจะหายไปมันไม่หายมันอยู่ต่อแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้ไปใจให้ต้องไปตกนรกกันจนกว่าบาปกรรมที่ทำไว้มันหมดกำลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาสร้างที่พึ่งเพียงแต่ที่พึ่งทางกายเพียงอย่างเดียวแล้วก็มาหาแล้วก็มาหาที่พึ่งทางใจด้วยการไปเสพลูกเสียงกลิ่นสรสสดสะพชนิดต่างๆแล้วก็จะไปเจอปัญหาแบบเดิมตอนที่นั่งกายแก่เจ็บตายอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ก็จะฆ่าตัวตายอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ปัญหา มีการพูดไว้ว่าี่าตัวตายครั้งหนึ่งนี้จะทำให้กลับมาฆ่าตัวตายห้าร้อยครั้งด้วยกันห้าร้อยชาติี้ยกันเพราะมันจะติดเป็นนิสัยเวลาเกิดปัญหาทางกายนั่งกายแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ก็เลยคิดว่าวิธีที่จะดับความทุกข์นี้ก็ดับด้วยการฆ่าร่างกายก็จะกลับมาแก้ปัญหาแบบเดิมอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าที่จะได้มาเจอพระพุทธเจ้านี่แหละเจอพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ความทุกข์ทางใจนี้เกิดขึ้นจากการที่ใจไม่มีที่พึ่งทางใจนั่นเองถ้าอยากจะดับความทุกข์ทางใจนี้ต้องมาสร้างที่พึ่งทางใจเหมือนกับที่เราสร้างที่พึ่งให้กับทางร่างกายเรารู้ว่าร่างกายก็ต้องการที่พึ่งร่างกายต้องการอาหารเราจึงกินอาหารทุกวัน พอเรารู้ว่าวันใหนที่เราไม่กินอาหารวันนั้นความทุกข์ทางร่างกายก็จะเกิดขึ้นทันทีเส<ม>ื้อผ้าพอเราก็รู้ว่าเราต้องมีไว้สวนใส่ไว้ป้องกันร่า<ม>งกาย<ม>แล้วก็ไว้ปกปิดเ อ, อ, อวัยวะของร่างกายเวลาที่เราออกไปข้างนอกบ้านเราก็ต้องแต่งกายให้มันดูสวยงา ม, ม, มดูเรียบร้อย เราก็ต้องอาศัยเสื้อผ้าแล้วเราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมีบ้านไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆหลบภัยทางธรรมชาติหลบภัยจากมนุษย์ที่โหดร้ายทารุณหลบภัยจากสัตว์ต่างๆสัตว์ร้ายต่างๆเราก็ต้องมีบ้านไว้หลบภัยและพยายามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ต้องมียารักษาโรคมาคอยรักษารโลกของร่างกายเพให้ร่างกายจะได้อยู่ต่อไปอยู่อย่างปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่ไปไม่ตายก่อนเวลาอันควรเราก็ต้องมาหาปัจจัยสี่กันแต่การหาปัจจัยสีน่นี้เราควรที่จะ หาแบบพอประมาณก็พอพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย<ม>เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปให้กับการเลี้ยงดูร่างกาย<ม>อย่างพระพุทธเจ้าสอนพระวิธีเลี้ยงดูร่างกายของพระของนักบวชผู้ที่ต้องการจะเอาเวลามาให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจให้ใช้เวลาในการหาปัจจัยสี่ทางร่างกายให้น้อยที่สุด แต่ให้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายเช่<ม>นอาหารนี่ก็ให้กินวันละมื้อก็พอ<ม>แล้วก็ให้ไปหาอาหารด้วยการออกบินสบายค<ม>ือให้ไปเป็นขอทานนั่นึองไปเป็นขอทานไปบินสบายรับประารจากผู้ที่เขามีจิตศรัทธาที่อยากจะทําบุญทำทาน<ม><ม>แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับอาหารของร่างกาย วันหนึ่งก็จะไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปวันละชั่วโมงเดินบินธบาตวันละชั่วโมงก็พอแล้วพอได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้หนึ่งวันส่วนเครื่องนุ่งหม่มคือจีวรที่อยู่ผ้อจีวร น, นี้ก็ส่งสอนให้ใช้ให้น้อยที่สุดให้ใช้เท่าที่จําเป็นก็คือให้ใช้หนึ่งชุดก็พอให้มีหนึ่ง ผ้าใจหนึ่งชุดผ้าสามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนและผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนให้มีผ้าเพียงสามผืนนี้ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วแล้วก็ให้ไปหาผ้าแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองไปหาผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะหรือผ้าที่เขาทิ้งผ้าห่อศพผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้า ที่สมัยนี้เราเรียกว่าผ้าป่าความจริงผ้าป่าก็คือผ้าที่เขาทิ้งผ้าเขาห่อศพไว้ในแล้วเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเวลาพระต้องการผ้าเพื่อที่จะมาตัดเย็บเป็นจีวรพ้านุ่งผ้าห่มผ้าก็ผ้าก็จะไปเก็บผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้านี้เอามาสร้างเอมาย้อมเอามาตัดมาเย็บประหยัดที่สุดให้ประหยัด ประหยัดทั้งประหยัดเพื่อเราจะได้มีเวลาประหยัดเวลาในการหาปัจจัยสิแล้วก็ไม่ต้องมีมากจนเกินไปมีหนึ่งชุดก็พอมีผ้าไต่สามผืนก็พอเพียงแล้วก็ที่วัสัยก็ให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามเนื้อมผาตามถ้ำเป็นที่เหมาะต่อการสร้างที่เครื่องทางใจเป็นที่จะสงบ แล้วก็เป็นที่ไม่ต้องใช้เงินทองในการต้องมาก่อสร้างท่านจําเป็นต้องทําก็ทําเป็นเพิงทํามาจากเิ่งไม้ใบไม้ทำเพิงไฟพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พออันนี้ก็เกิดที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ก, ก็ให้ใช้ยาดองน้ํำมูดน้ํามูดก็คือน้ําปัสสาวะน้นําปัสสาวะนี้สามารถเอามาดองพวกคน ผลไม้เช่นพวกมะขามป้อมพวกสมอดองเป็นยาดองแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ก็ใช้ยาดองนี้ดื่มรักษาโรคได้รักษาไปตามมีตามเกิดเพราะโรคภัยมันก็มีตามมีตามเกิดมีอยู่สามชนิดด้วยกันโรคที่มีเป็นขึ้นมาแล้วหายเองก็มี เป็นแล้วไม่ต้องรักษามันก็หายเองก็มีโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายก็มีแล้วก็โรคที่สามก็คือโรคที่เป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่าจะตายจากมันไปก็มีแค่โรคสามโลกนี้เท่านั้นจะมียาวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคชนิดที่สามนี้ได้ <S <S <S นั้น ยาดองนี้ก็สามารถรักษาโรคที่สองนี้ได้เป็นแล้วก็ดื่มยาดองเข้าไปเดี๋ยวมันก็หายเช่นปวดท้องมากๆปวดศีรษะปวดอะไรก็ลองกินยาดองดูมันก็หายถ้าไม่หายก็คิดว่าเป็นโรคชนิดที่สามไปไม่หายก็ใช้ใช้ที่พึ่งทางใจคือธรรมโอสถมาสอนใจให้อย่าไปทุกข์กับมันให้อยู่กับมันไปตามมีตามเกิดไป นี่ละวิธีหาที่พึ่งทางร่างกายเพื่อที่จะจะได้ไม่ใช้เวลาให้มากเกินไปเพราะเราต้องเอาเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจที่ต้องใช้เวลามากและก็เป็นที่พึ่งที่สำคัญเพราะถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วต่อไปปัญหาทั้งหมดก็จะไม่มีตามมาอีกต่อไปคือถ้าเรามีที่พึ่งทางใจครบบริบูรณ์ ใจมีความสุขปราศจากความทุกข์ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในในโลกที่เราอยู่กันนี้สาเหตุที่พวกเรายังมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้ก็เพราะว่าเราขาดที่พึ่งทางใจเรามัวแต่หาที่พึ่งทางกายซึ่งเป็นที่พึ่งแบบชั่วคราวพอเราพอร่างกายของเราตายไป เราใจของเราก็แยกออกจากร่างกายแล้วก็มาหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาส ห, หาที่พึ่งทางกายใหม่เพราะเราคิดว่าการมีที่พึ่งทางกายมีมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสจะทําให้เรากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราได้แต่มันไม่สามารถทําได้ที่พึ่งทางกายก็ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ก็คือที่พึ่งทางใจที่พระพุทธเจ้าท่งคนพบและท่งปฏิบัติจนสามารถทำให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทำให้ใจไม่ต้องมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมา สร้างที่พึ่งทางกายเพื่อมาดับที่พึ่งทางใจเพื่อมาดับความทุกข์ทางใจเพราะที่พึ่งทางกายไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรักษาโลกหรือความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้สิ่งที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ก็คือที่พึ่งทางใจ ที่พึ่งทางใจก็เหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายนี่แหละก็มีอยู่สี่ชนิดเหมือนกันที่พึ่งทางใจก็มีอาหารอาหารของใจ <S S S S <c oughs> เครื่องนึ่งห่มของใจที่อยู่อาศัยของใจและยารักษาโรคของใจ <S S <c oughs> เพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจคืออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคของใจนี้เป็นคนละอย่างกับปัจจัยสี่ของทางร่างกายอะไรคืออาหารของใจ อ, าาอะไรที่จะทำให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมามก็คือการทำทานทำบุญทำทานนี่เองเวลาได้ทำบุญทำทานโดยปราศจากความความอยากได้ของตอบแทน ต้องทำทำทานแบบบริสุทธิ์ใจทำทานเพื่อให้ความสุขเพื่อดับความทุกข์ของความของของผู้อื่นเช่นเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้เขาให้ความทุกข์ที่เขามีอยู่นั้นหมดไปอันนี้อันนี้แหละถ้าทําโดยที่ไม่หวังผลผลตอบแทน จะทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอิ่มเอิบใจสุขใจความอิ่มใจสุขใจนี่แหละมันจะช่วยมาทําให้ใจไม่หิวโหวยกับการที่จะไปหายาเสพติดของใจมาดับความหิวโหวยก็คือการไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิก่นรสผุดสะพะถ้าเราเวลาเราใจเรามีความหิว แล้วเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพมานี้มาให้กับใจมันไม่ได้เป็นการไปเอาอาหารมาให้กับใจแต่มันกลับไปเอายาเสพติดมาให้กับใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพนี้เวลาเสพแล้วมันจะติดติดเพราะว่ามันความสุขที่ได้จากยาเสพติดนี้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพนี้ มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวชั่วขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเช่นเวลาเราไปดูภาพยนตร์ไปดูไปฟังอะไรหรือไปเที่ยวกันนี้เราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสกันเวลานั้นเราจะมีความรู้สึกโสดเพลินใจมีความสุขใจแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสโสดพระชนิดต่างๆนั้น มันก็จะจางหายไปแล้วก็หมดไปในที่สุดในเวลาอันไม่นานหลังจากนั้นแนละ้วมันก็จะทำให้ใจรู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายทำให้ใจเกิดความหิวเกิดความอยากที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพมาสัมผัส ต, ต่ออีกเสพเท่าไรกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าเราถ้าเรา แทนที่เราจะเอาความสุขจากการได้เสกเลือกเสียงกิรินี้เรามาเอาความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานการความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานนี้มันจะทำให้ใจเราอิ่มใจเราสุขไปนานกว่ามันไม่ได้จางหายไปหลังจากที่เราได้ไปทำบุญบางทีหลายวันแล้วผ่านมาใจเราก็ยังมีความรู้สึกอิ่ ม, ม, มใจสุขใจทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทามันก็ทาให้เรามีความสุขใจ เพราะความอิ่มใจสุขใจที่เราได้จากการทำบุญทาทานนี้มันไม่หมดไปมันสะสมไว้ในใจไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยทำให้เรานี่ไม่ไปติดยาเสพติดของใจได้คือไม่ไปติดรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัชชนิด ต, ต่างๆทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราหิวเราอยากใจเราหิวใจเราอยาก แทนที่เราจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดท่ากันเราก็ไปหาความสุขจากการทำบุญทำทานกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท่านี้มันจะแทบจะไม่มีเลยจะเหลือก็น้อยมากเพราะว่าเราสามารถมีความสุขที่ดีกว่าที่ยั่งยืนกว่าจากการทำบุญทำทาน เราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขความอิ่มใจหาอาหารให้กับใจแทนที่จะไปหาจากการไปเสพ ล, ลูกเสียงกิจลดโผฏฐพะชนิดต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังละครมหรรัศรรบันเทิงต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของราคาแพงๆของที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีแต่คิดว่าซื้อมาแล้วจะได้ความสุข แต่มันเป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วก็ทำให้เกิดความหิวความอยากที่จะไปหามัเพิ่มอยู่เรื่อยๆต่างกับความสุขที่ได้จากการไปทำบุญทำทานทำแ้ความหิวความอยากมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆทำให้ใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้อันนี้แหละคืออาหารของใจที่แท้จริง ซึ่งเราควรจะทำกันอย่างสม่าเสมอเหมือนกับการที่เราให้อาหารกับร่างกาย<ม>วันหนึ่งเราให้อาหารกับร่างกายวันเราต้องสามครั้งด้วยกัน<ม>เช้ากลางวันเย็นแล้วบางทีก็มากกว่านั้นอีกมีมีระหว่างมือ้อมีก่อนนอนอีกบางทีนอนตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนก็ลุกขึ้นมาหาอะไรกินต่อยก็มีสำหรับคนบางคนเพราะว่าใจมันหิวเพราะใจไม่ได้ ไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้อาหารจากการทำบุญทำทานได้อาหารจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นเหมือนยาเสพติดที่จะคอยทำให้ใจหิวโหยอยู่ตลอดเวลาต้องเราต้องมาให้อาหารใจเหมือนกับเวลาให้อาหารทางร่างกายเราให้อาหารทางร่างกายเาาาาาายวลาสามมือ้อเราก็ต้องมาทำบุญเวลาสามครั้งเช้ากลางวันเย็นเช้าก็ใส่บาตบ้าง กางวันก็ไปทําบุญให้เงินขอทานบ้างก็ได้หรือให้ซื้อข้าวซื้อของให้กับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักหรือใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้ทําบุญอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการกินอาหารอยู่เรื่อยๆ<ม>การทําบุญอยู่เรื่อยๆนี้จะทําให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุข<ม>แล้วจะทําให้เราไม่ต้องไปเพิ่งยาเส่ติดของใจ ไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรต่างๆที่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนกับการทำบุญทำทานที่เราทำเราก็ทำไปตามกาลังของเราทำเท่าที่เรามีอยู่พอเราไม่มีแล้วเราก็หยุดทำได้ถ้าถ้าเงินทองไม่มีพอไว้สำหรับไม่มีเงินทองเหลือใช้ที่เราจะไปใช้ทำบุญทำทานได้ เ, เงินทองที่เราต้องเก็บเอาไว้เลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เก็บไว้ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ให้มันหมดไปเลยยกเว้นว่าถ้าเราต้องการไปสร้างที่พึ่งทางใจชนิดอื่นเช่นไปบวชนี่เราก็อาจจะทําบุญทําทานเป็นครั้งสุดท้ายเลยก็ได้มีเงินมีทางมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทําบุญทำทานด้วยการสละราชสมบัติ เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะไปสร้างที่พึ่งที่ยังขาดอิกสามอย่างด้วยกันก็คือที่พึ่งก็คือเครื่องนึ่งห่มของใจแล้วก็ที่อยู่อาศัยของใจและยารักษาโรคของใจการที่จะไปสร้างอที่พึ่งทั้งสามอย่างนี้คือเครื่อง น, นึ่งห่มของใจที่อยู่อาศัยของใจและยารักษาโรคของใจนะี้ จำเป็นต้องใช้เวลามากต้องทำอยู่ตลอดเวลาลการที่จะทำได้ตลอดเวลาก็คือการไปเป็นนักบวชนั่นเองเพราะเมื่อไปเป็นนักบวชแล้วก็จะสามารถสร้างที่พึ่งคือชนิดที่สองก็คือเครื่องนุ่มห่มของใจอะไรคือเครื่องนุ่มห่มของใจเครื่องนุ่มห่มของใจก็คือสีนีง ใจของเรานี้ก็มีภัยทางที่จะมาคุกคามใจของเราเหมือนกับร่างกายที่มีภัยที่จะมาคุกคามเช่นอากาศที่หนาวเย็นหรือแมลงสัตว์กัดต่อยเลือดของมีคมของแหลมคมต่างๆที่อาจจะมาทิ่มมาแทงมาขีดมาขวนร่างกายได้เราก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดเพื่อเสริมสวยความสง่าราศีของร่างกาย ใจก็ต้องอาศัยเสื้อผ้าอภรณ์เพื่อเสริมความสวยความสงา่าราศีของใจศีนี่แหละเป็นเสื้อผ้าอาพรของใจเพราะทําให้ผู้ที่มีศีนี้เป็นผู้ที่มีความสงา่างามมีใครเห็นก็จะชื่นชมยินดีรักชอบไม่มีใครเกลียดคนที่มีศีนคนที่มีศีนนี้เป็นคนที่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ต่างกับคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลนี้เป็นคนที่จะไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราจะให้ใครมาทำงานกับเราเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าเขามีศีลและไม่มีศีลถ้าเขาเป็นคนชอบลักขโมยเราก็ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบขโมยเราก็จะไม่อยากจะจ้างเขามาเป็นลูกจ้างเราถ้าเรารู้ว่าเขาเคยฆ่าคนมาแล้ว เราก็ไม่อยากจะจ้างให้เขาไม่ทำงานกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายเราได้เมื่อไหร่เราก็อยากจะเลือกคนที่มีศีลคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงไม่เดินของมุนเมาอันนี้แหละคือความสวยงามของใจ ใ, ใจที่มีศีลนี้จะเป็นใจที่มีคนเคารพนับถือยกย่อง นักบวชทั้งหลายที่มาบวชนี้ที่ญาติโยมเคารพนับถือนี้ไม่ได้นับถือเ พ, พ่อห่มผ้าเหลืองนะไม่ได้นับถือเพราะมีข้อโกนศีรษะนะแต่นับถือเพราะว่ามีศีลเป็นคนที่มีกิริยามีความประพฤติ ท, ที่ดีงามาไม่ไปสร้างความเสียหายไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้นี้คือ หน้าที่ของเสื้อผ้า อ, าอ่อนทของใจนอกจากเสริมสวยความงามแล้วยังป้องกันภัยที่จะมาคุกคามใจด้วยภัยคืออะไรภัยก็คืออาบายทั้งสี่นี่คือการต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือไปตกนรกนี่เกิดจากการที่ไม่มีเสื้อผ้าผรอนไม่มีสีถ้าใจใดไม่มีสีคือ ยังค่าสัตว์ยังรักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเพณียังพูดปลดยังดื่มของมึนเมาอยู่<ม>เวลาตายไปนี้ใจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีจะต้องไปใช้บาปกรรมที่ทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่อันนี้แหละคือภัยที่จะมาคุกคามจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้กับใจ เพราะการไปเกิดในบาปนี้มันมีแต่ความทุกข์มันแทบจะหาความสุขไม่มีเลย mm. การที่จะไปเกิดแล้วมีความสุขก็ต้องไปเกิดบนสวรรค์ mm hmm. การที่จะไปเกิดบนสวรรค์ก็ต้องอาศัยบุญเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยแล้วก็อาศัยการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของหมุนเมาอันนี้แหละถึงจะทําให้ใจไปเกิดในสุขติได้ ดังนั้นผู้ที่ไม่มีศีลนี่ก็จะปะะจาศัจจ์เครื่องป้องกันภัยหรือปะะาศัจจ์เครื่องคุ้มกันไม่ให้ไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าใครไม่มีศีลรักษาศีลไม่ได้ทําแต่บาปทําแต่กรรมอยู่เรื่อยรับประกันได้เวลาตายไปต้องไปเกิดในอบายที่ใดที่หนึ่งในสี่ที่ด้วยกันแล้วแต่ว่าทําบาปด้วยเหตุผลกลไกใดทําบาปด้วยความหลงก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปล่าทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสูรกายทำบาปด้วยความโกรธด้วยความอาคาตพยาบาทก็ไปตกนรกอัน<ม>นี้แหละคือที่ไปของอบาย<ม>เหตุที่ไปก็คือการไม่มีศีล<ม>ไม่มีเสื้อผ้ า, าผ่อนของใจ<ม>สําหรับผู้ที่มีศีลนี้ก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบาย<ม>แล้วถ้าได้ทําบุญ ก็จะไปสู่สวรรค์ถ้ายังไปไม่ถึงจุดสูงสุดของของใจคือพระนิพพานก็อย่างน้อยตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์แล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีบารมีที่จะมาทำบุญต่อแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถสร้างที่พึ่งทางใจเพิ่มอีกสองอย่างได้ ที่งทางใจอีกสองอย่างที่ใจต้องการเพื่อให้ใจป้องกันความทุกข์ต่างๆได้อย่างเต็มร้อยก็คือที่อยู่อาศัยของใจและยารักษาโรคของใจที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธินี่คือความสงบของใจเวลาใจมีความทุกข์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้น เ, นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ <ừ. S 1> ก็เหมือนกับเวลาร่างกายอยู่นอกบ้านแล้วไปเจออากาศที่ร้อนหรือไปเจอภัยต่างๆจากคนก็ดีจาก ส, รรสัตว์ร้ายก็ดีถ้าเรามีที่หลบมีบ้านเราก็หลบเข้าไปในบ้านถ้าเรามีบ้านเราหลบเข้าไปในบ้านภัยที่อยู่นอกบ้านก็จะไม่สามารถตามเข้ามาได้ฉันั้ ใจเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เหมือนคนที่อยู่นอกบ้านอย่างพวกเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสมาธิกันเราอยู่นอกนอกบ้านของใจเวลาเราไปสัมผัสรับรู้อะไรเช่นทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกทางลิ้นทางกายบ้างหรือทางทางใจบ้างใจเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เ ก, ดไเกิดความวุ่นวายใจเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา เกิดวความวิตกเกิดวความกังวลในฝันฝัขึ้นมาได้ถ้าเรามีบ้านเราก็สามารถหลบภัยเหล่านี้ได้บ้านของใจก็คือสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิได้<ม>เวลาที่เรามีความทุกข์ร้อนทางใจ<ม>เราก็สามารถมีที่หลบภัยได้ด้วยการเข้าไปในสมาธิ เราทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องเงินทองบ้างเรื่องคนนั้นเรื่องงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้างแล้วแต่เรื่องอะไรที่มันจะทาให้เราทุกข์ใจถ้าเราอยากจะหยุดความทุกข์ใจนี้ถ้าเรามีสมาธิเราก็สามารถหยุดได้เราเข้าไปในสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบแล้วความทุกข์ใจต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาทางใจได้ชั่วข่าวแต่พอเราออกจากสมาธิมา พอเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ยังทำให้ใจเราทุกข์ได้ดงนั้นที่พึ่งชนิดที่สามนี้ก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ดับความทุกข์ทางใจได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้าถ้าอยากจะดับความทุกข์ทางใจเวลาที่ออกมาจากสมาธิเราจำเป็นจะต้องสร้างที่พึ่งชนิดที่สี่ให้กับใจ ก็คือยารักษาโรคใจยารักษาโรคของใจคืออะไรก็คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราเห็นอริยสัจสี่เราเห็นว่าความทุกข์ของใจเหล่านี้มันเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นมาอยากได้สิ่งนี้มาพอเราไม่ได้ใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาแค่นั้นเองถ้าเรารู้เราก็สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ได้อย่างง่ายดาย แก้ด้วยการหยุดความอยากนั่นเองการจะหยุดความอยากเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันไม่สามารถตอบตอบโจทย์คือดับความทุกข์ของใจเราได้อย่างแท้จริงของต่างๆในโลกนี้ที่เราคิดว่าจะเอามาดับความทุกข์ให้กับใจเรานี้มันดับไม่ได้อย่างแท้จริงมันดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจามันเป็นอนิจจมันไม่เที่ยง ถ้าเราคิดว่าเรามีเอาเงินทองมาจะดับความทุกข์ใจเราได้มันก็ดับได้ตอนที่เรามีเงินมีทองแต่ทองเงินทองหมดไปนี่ความทุกข์ใจก็ก็จะกลับคืนขึ้นมาอีกได้ถ้าเราคิดว่าการที่เรามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ยศตาแหน่งมันก็เป็นของไม่เที่ยงวันดีคืนดีเราก็อาจจะสูญเสียยศเสียตาแหน่งไปก็ได้ ถ้าเราคิดว่าการได้รับการสรรเสริญเยินยอยกย่องแล้วจะทําให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้มันก็เป็นของชั่วข่าว <S <S คนที่เขาเคยสรรเสริญยกย่องเยินย อ, รยย อ, ยนยอรเราวันดีคืนดีเขาอาจจะกลับมาก็ละหานินทาเราก็ได้มาด่าเราก็ได้มาว่าเราก็ได้เพราะรามันเป็นของไม่เที่ยงของนเงี้ยทุกอย่างในโลกนี้หรือรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าพที่เราไปเสกกัน ที่เราไปเที่ยวไปดูไปกินไปดื่มไปฟังกันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยว <S <S <ภ>ยเวลาได้มามันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันจางหายไปความสุขที่ได้มาก็จางหายไป <S <S 1> <S 1> พอมันจางหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจนั้นอที่เราพยายามดับมันดับถ้าไรก็ดับไม่ได้ถ้าเราอาศัยสิ่งต่างในโลกนี้มาดับความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก มีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ทางใจหมดไปก็ต้องหยุดความอยากเท่นั้นเองหยุดความอยากหาความสุขจากลูกเสียงจินลดโผฏฐาพหยุดความอยากจากการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วความทุกข์ใจไม่สบายใจต่างๆมันก็จะหายไปที่เราทุกกันเพราะว่าเราอยากว่าไม่ได้ดังใจอยาก อยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจหรืออยากให้คน น, ค น, jin, น, นั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอก็ไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากไปเที่ยวเราไม่ได้เทีย่ยวเราก็ไม่ทุกข์ใจเราอยู่เฉยๆได้มีความสุข Geral อยากการอยู่เฉยๆได้มีความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากนี่อันนี้แหละเป็นวิธีที่ระดับความทุกข์ที่แท้จริง เพราะถ้าเราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วความทุกข์ใจนี้มันจะไม่มีอีกต่อไปใน ใ, นใจของเรา <Yeah. S 1> ความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากของเรา <Yeah. S 1> และความอยากของเราก็เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าความทุกข์ใจของเรานี้จะดับได้ด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจ <Yeah. S 1> ไปหาลาบยศสรรเสริญ <Yeah. S 1> ไปหารูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาให้ความสุขกับเราแต่ความจริงมันให้ความสุขแบบปลอมความสุขแบบชั่วคราวให้ความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดีย ว, ยวพอมันจางหายไปมันก็ทําให้เรารู้สึกเศร้าหมองขึ้นมารู้สึกว้าเหวขึ้นมารู้สึกขาดอะไรขึ้นมาก็เลยทําให้เกิดความอยากที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาทดแทนอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอหามาได้ปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปมันเป็นเหมือนฟองน้ํา ของน้ำนี่มันไม่อยู่ได้ได้ยั่งยืนมันอยู่ได้สักพักเดี๋ยวมันก็แตกหายไปอันนี้แหละมันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากที่เราที่เรามีอยู่ในใจเพื่อที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ใจของเรามีความสุขดับความทุกข์ของใจมันไม่มีวันหมดพอร่างกายนี้ตายไปความอยากความหิวมันก็ยังมีอยู่ในใจ ความอยากความหิวของใจนี่แหละมันก็จะดึงให้ใจไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขความอิ่มกับใจแต่ก็เป็นความอิ่มความสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยวิธีการที่ถูกต้องที่จะทำให้ความทุกข์ใจ หายไปทําให้มีความอิ่มใจสุขใจอยู่กับใจไปตลอดก็คือการหยุดความอยากต่างๆนี้เท่านั้นเองอันนี้แหละถึงต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าเวลาใจเราทุกนี้ใจเราทุกเพราะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้<ม>พอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจวิธีที่จะแก้ก็คืออย่าไปไ ป, ไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาเพราะสิ่งที่เราอยากได้มามันไม่ได้แก้ปัญหาของ มันไม่ได้ไปทำให้ความอยากของเราหายไปหมดเดี๋ยวมันก็กลับให้ความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเวลาที่สิ่งที่เราได้มามันมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้แล้วมันก็จะทําให้เกิดความอยากใหม่อยู่เรื่อยๆวิธีที่จะแก้ก็คือต้องหยุดความอยากต้องเห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่ทําให้เราไม่ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอไม่มีความสุข ทุกครั้งที่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจเราจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีเวลาใดที่ใจเราเวลาใดที่ใจเราไม่มีความอยากเวลานั้นใจเราจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเช่นตอนนี้ใจของญาติโยมไม่มีความอยากจะไปทำอะไรไม่ยังมีความอยากจะไปดูอะไรไม่ยังมีความอยากจะได้อะไรใจก็สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขแต่พอเดี๋ยวถ้าเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้จะต้องไปทาตามความอยาก แล้วไปทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะสิ่งที่ให้ที่เราต้องการมาให้ความสุขกําลังมันเป็นของชั่วคราวมันไม่สามารถให้ความอิ่มความพออย่างถาวรได้พราอมันหมดไปมันก็สร้างความอยากใหม่ให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเป็นวิธีที่จะทําให้เกิดความอิ่มความพอได้อย่างแท้จริงก็คือต้องหยุดความอยากทั้งเองและการที่เราจะฝืนความอยากได้เราก็ต้องอาศัยการเข้าไปในสมาธินี่ใช้กําลังของสมาธิหยุดความอยาก เวลาเกิดความอยากก็เราก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ทําใจให้นิ่งให้สงบให้วางเฉยให้ได้เวลาใจวางเฉยใจไม่คิดถึงเรื่องอะไรความอยากก็จะหายไปเวลาที่เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาดังนั้นเวลาเราเกิดความอยากเราต้องหยุดความคิด เราต้องเห็นว่าการปล่อยให้ความอยากมันเกิดขึ้นมานี้มันจะเป็นตัวที่จะมาทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาฉะนัออ้นเราต้องอาศัยการมีสมาธิถึงจะหยุดความอยากได้การมีปัญญาเพียงอย่างเดียวนี้จะหยุดความอยากไม่ ไ, มได้ เ, ออเพราะว่าไม่มีกำลังสู้กับความอยากได้สิ่งที่จะสู้กับความอยากได้ก็คือสติที่ทำใจให้สงบนี่เราต้องมาอาศัยสติ คอยควบคุมค อ, อยหยุดความอยากเวลามันเกิดขึ้นมาด้วยปัญญาที่สอนว่าอย่าปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมาเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ไม่ใช่ตัวที่จะนำความสุขมาให้กับเราเพราะเวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บนี้ใจเราก็มีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วมีความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเกิดความอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขขึ้นมาแล้วต้องไปหาสิ่งที่อยากได้ขึ้นมา นี่แหละคือปัญญาที่เรียกว่าเป็นยารักษาความทุกข์ใจที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ใจได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ<ม>ถ้าเข้าไปในสมาธิเราก็หยุดความอยากได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเรามีปัญญาด้วยมีสมาธิด้วยเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรเมืม่อไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากความอยากก็จะหมดไป ใจก็สามารถอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะว่าถ้าไปยังเวียนยังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ mm. ก็ยังต้องไปเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพอเรากำจัดความความอยากได้ด้วยกำลังของปัญญาของสมาธิและปัญญาแล้วใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจ เมื่อไม่มีความอยากความหิวก็ไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีใจก็จะอยู่กับความอิ่มความพอที่เรียกว่าบรลมัสุขไปตลอดที่พระเจ้าเรียกใจที่ปราศจากความอยากนี้ว่าเป็นนิพพานนั่นเองนิพพานเป็นบรลมัสุขนิบานังบัลมังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะตัวที่ทําให้ความสุขใจหายไปก็คือความอยาก เมื่อไม่มีความอยากขึ้นมาทําลายความสุขมันก็ความสุขมันก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไป mm. นี่แหละคือที่พึ่งทางใจที่พูะเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาสร้างกัน เริ่มต้นด้วยการมาทำในวันพระวันหยุดทำงานถ้าวันนี้ยังต้องทำงานอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานของเราถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลือกเอาวันเสาร์วันอาทิตย์มาเป็นวันวันพระแทนเพื่อมาสร้างเพื่อจะได้มีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจอยู่สี่อย่างด้วยกันมาสร้างที่พึ่งทางใจคืออาหารด้วยการทาบุญทาทาน มาสร้างที่พึ่งทางใจคือเสื้อผ้า พ, พอด้วยการรักษาศีลแล้วก็มาสร้างที่พึ่งทางใจคือบ้านที่อยู่อาศัยด้วยการฝึกสมาธินั่งทำสมาธิแล้วก็มาสร้างที่พึ่งทางใจที่เป็นยารักษาโรคของใจก็คือด้วยการมาศึกษาปัญญาศึกษาว่าทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยวแล้วเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ ถ้าเราอยากให้มันเที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากจะไปอาศัยมันให้ให้เป็นที่พึ่งของเราเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราถ้าเราไม่อยากจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็ต้องอยาบไปอยากไปอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้ความมาเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราที่แท้จริงก็คือปัญญาที่เห็นว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็คือความอยากนี่เองหยุดความอยากได้แล้ว ปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดไปจากใจนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาทำกันในวันนี้มาสร้างที่พึ่งทางใจกันเพื่อใจเราจะได้ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเิวะหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานัง e อุปการไปติอิตชีตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพตุเรนตตสังกปา จันโทปนาราสุยทธามณิโชติราสุยทธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโคกวินาศตุมาเตภวัตวันตาโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวัตนสีิิธานิจังมุธาปัจายโน จตารูธรรมวัฏฐานติอายุวันุสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้ฟังเทศแล้วไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะถามเพิ่มเติมก็ถามได้ไม่ต้องกังวลไม่ไม่ถือว่าเป็นการจับผิดแต่อย่างใด อาจจะพูดไม่ถูกบ้างก็ได้อาจจะพูดผิดบ้างก็ได้บังแล้วสับสนก็อยากจะให้ขยายอธิบายให้กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟสามรอยสาสิบห้าท่าน ทาง y o u t u พระอาจารย์สุชาติสาม้อยห้าสิบเก้าท่านทาง y o u t u ด e อกตรวีห้าสิบสามท่านวิทยุออนไลน์เก้าท่านขับเฮาส์เจ็ดท่านแล้วก็หน้ากุฏิแปดสิบเก้าท่านรวมทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบสองท่านครับก็มีคำถามก็เชิญน่งได้ถามได้กับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีคำถามจากคุณเทียนชัยฝากถามมาสองข้อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งการถวายเงินให้วัดไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกับมอบเงินให้อาจารย์คารวะที่สอนธรรมะไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจะได้บุญเท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเรื่องมอบเงินให้คารวาสอนธรรมไปสร้างสถานธรรมเวลาท่านเสียไปแล้วที่ดินสถานธรรมก็ตกเป็นของลูกหลานซึ่งเขาสามารถนำไปขายได้คงได้บุญน้อยนิดครับก็อย่างที่พระเจ้าบอกว่าการถอยท้องให้บุคคลกับถอยให้กับส่วนรวมนี้มันมีประโยชน์ต่างกัน ถ้าถวายให้กับบุคคลเวลาบุคคลนั้นตายไปแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปแต่ถ้าเป็นส่วนรวมมันก็จะอยู่กับส่วนรวมไปเรื่อยๆเอ็นถวายให้กับสงฆ์ส่วนใหญ่เราจะนิยมเวลาถวายโบสถ์เจดีกุติอะไรนี่เราไม่ได้ถวายให้กับพระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งจะถวายให้กับสงฆ์คือให้ถวายให้กับวัดให้เป็นสมบัติของพระศาสนาเห้นอาจารย์ตายไปก็ยัง ของที่เราถวายก็ยังอยู่กับสาสนาเป็นของสาสนาต่อไปเรี ว, ว่าสังฆทานคําว่าสังฆทานก็คือถวายเป็นส่วนรวมถ้าถวายเฉพาะเจาะจงเช่นวันนี้ยญาติโยมมาเข้าของมาให้เราเนี่ยเราก็จะไปให้ใครก็ได้จะเก็บไว้ก็ได้หรือจะทําอะไรก็ได้ตายไปจะเขียนพิณายกรรมยกให้คนนห้นคนนี้ก็ได้แต่ถ้าบอกถวายให้เป็นของส่วนรวมนี้ก็เราก็เอาไปแจกจ่ายให้ใครไม่ได้เพก็ต้อง ใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวเช่นกุฏินี้ก็ใช้ได้แต่จะไปขายไม่ได้ถ้าเกิดอยากจะจ้างเป็นทําอะไรทั้งอย่างเงินไม่พอก็ขอขายกุฏิขายไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราที่ดินเป็นของเราชื่อเราบ้านเป็นของเราแเรวก็ขายได้แต่ <S <S <S างพุทธเจ้าบอกอยาถวายทอให้เป็นของส่วนตัวให้ถวายเป็นของส่วนรวมไปแล้วจะได้อยู่กับคู่กับาศาสนาไปได้นานๆ ศาสนาอยู่ได้เพราะสงฆ์ไม่ได้อยู่ได้เพราะพร ะ, พระรูปใดรูปหนึ่งเพราะพระรูปใดรูปหนึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายไปตายไปก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่อยู่ต่อไปมาทําหน้าที่แทนกันไปเรื่อยๆเงินไข่ถวายเป็นสมบัติส่วนกลาไงไปยกไว้ของจําเป็นเฉพาะตนเช่นซื้อยามาถวายก็ถวายเฉพาะองค์ได้อาหารมินทบา่ายก็ใส่เฉพาะองค์ได้ถ้าอยากจะถวายแต่ของที่มันเป็นที่จะ ใช้กันได้หลายๆคนก็คุณจะถวายเป็นของกลางไปเป็นส่วนทรงไปแล้วมาทานไปเชค่าคำถามข้อที่สองผมเริ่มปฏิบัติธรรมจริงๆประมาณสามถึงสี่ปีที่ผ่านมาก่อนนี้ไปวัดก็ไปตามเขาแต่ไม่สนใจเท่าไหร่ก่อนปฏิบัติธรรมจริงจังเวลาเจอพระที่พูดจาไม่ดีหรือปฏิบัติตัวไม่ดี จะด่าว่าพระรูปนั้นในใจเรียนถามพระอาจารย์ว่าบาปมากหรือบาปน้อยแค่ไหนครับคือการด่าว่าใครโดยที่เราเกิดจากความเกลียดชังนี้ไม่ดีทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปด่าว่าใครแต่ถ้าเราวิภา์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลนี้ก็ทำได้ในใจเราเช่ว่พาพระรูปนี้ไม่สำรวมเล ย, ยนี้เราก็เราก็พูดไปตามความเป็นจริงคิดไปตามความเป็นจริง อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหาย เ, ยเป็นเป็นการวิเคราะห์เป็นการพิจารณาสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้อันนี้ก็อย่าไปทำด้วยความโกรธความเกลียดชังหรือความไม่เชื่อไม่เชื่อพาะรูปนี้ถึงแม้ท่านจะพูดดีทำดียังไงก็ไม่เชื่ออยากจะไปรบหูท่านอย่างนี้ก็ไม่ควรท่านจะดีจะชั่วมันก็เป็นเรื่องของท่านคนอื่นเขาจะดีจะชั่วเราก็อย่าไป ไปเดือดร้อนกับเขาปล่อยวางดีกว่ามาดูตัวเราเองดีกว่ามาด่าตัวเราเองดีกว่าเพราะการดูตัวเองนี่จะเป็นการ เ, าเป็นการแก้ไขปัญหาของเราได้ถ้าเราเห็นความบกพร่องในตัวเราเราก็สามารถแก้ไขได้ถ้าเราไม่ไม่มองความบกพร่องเราก็จะไม่แก้ไขความบกพร่องก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยเรื่อยมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะ กราบนมัชฌาารพร้อมกับฝากส่งคำถามเจ้าค่ะสัตว์ที่ตายร่วมกันนับพันชีวิตที่ตลาดค้าสัตว์จัตุจักรจะมีทางได้รับผลบุญคุศลและถ้าไปสวดโดยเปิดลำโพงเสียงดังๆให้เขาได้ยินพวกเขาจะมีญาณวิธีได้รับรู้และพ้นจากอบายไมคคะมีพระเคยบอกยมว่าสัตว์เดรัจฉานต้องเวียนไหว จนหมดกรรมมีอะไรเป็นตัวกําหนดหมดกรรมเจ้าคะ่ะก็ทุกครั้งที่มาเกิดเป็นเดรัจฉานก็มาใช้กรรมเก่าไปเรื่อยๆจนกว่ากรรมเก่าที่ทํามามันหมดไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานถ้ายังไม่หมดก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆคํถาถามจากทาง facebook เจ้าคะ่ะกราบเรียนถามครับหลวงพ่อเจ้าของคือตัวมัน ในที่นี้ที่ว่าตัวมันก็คือจอมวงการเห็นมันก็คือใช่หากไม่เห็นมันก็เป็นทาตมันอยู่่ําไปอยากจะหนีได้จากพบวัฒวนนี้คือปัญญาเข้าไปรู้มันไหมครับต้องทั้งใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งสมาธิถึงจะสามารถเข้าไปกาจัดมันได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาอย่างเดียวมันก็ยังหยุดมันไม่ได้ ต้องมีกำลังของสมาธิช่วยอยู่นั่นด้วยต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาและการจะมีสมาธิมีปัญญาก็ต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีเวลาไม่มีคับไม่สามารถที่จะมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้ไม่ต้องมีทั้งสามอย่างศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะสามารถที่จะมากาจัดกิเลสโมหะอวิชชาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ ค่ะคำถามจากคุณทีขณาน้อมกราบมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเราจะวางใจไว้ตรงจุดใด เมื่อเจอทุกจากการเจ็บป่วยบ่อยๆไม่อยากให้ป่วยพอมีความอยากก็ถูกซ้อนไปอีกเห็นความอยากไม่ทูกเจ้าค่ะแต่กำลังยังไม่พอก็พยายามทำทั้งสติสมาธิปัญญาความคู่กันมาตลอดเพื่อให้เกิดอุเบกขาให้ได้บ่อยๆเจ้าค่ะขอคำแนะนำที่เพิ่มเติมจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ เบื้องต้นต้องใช้สติก่อนสติสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางต่อไปเชิญค่ะคำถามจากเฟ e บุ๊กเรียนถามพระอาจารย์ว่าสัตว์บางประเภทเช่นสุนัขเขาทำกรรมอะไรมาถึงได้น่ารักและมีราคาแพงการกินอยู่ก็ดีได้อยู่ห้องแอ เพราะสมัยที่เขาเป็นมนุษย์นี้นอกจากทําบาปแล้วเขาก็ทําบุญด้วยทําทั้งสองอย่างบุญก็ชอบทําบาปก็ยังทาอยู่ตายไปก็เลยไม่เกิดเป็นเดราจฉานเพราะอํานาจของบาปที่ทําไว้แต่เนื่องจากมีบุญติดตัวไปด้วยก็เลยทําให้เกิดเป็นสัตว์ที่สวยงามเป็นสัตว์ที่คนเห็นแล้วรักก็ชอบขึ้นมา mm hmm. ก็เราเอาไปเลี้ยงอยู่ดีกินดีบางทีสัตว์นี่อยู่ดีกับคนอีก เพราะเขาทำบุญมามากแต่เขายังไม่เลิกทำบาปเ็ยังอดที่จะขโมยของไม่ได้อดที่จะโกหกไม่ได้อะไรอย่างนี้มันยังติดอยู่มันก็เลยทำให้เขาไปทำบากด้วยทำบุญด้วย응ก็เลยทำให้เ็าไปเกิดเป็นสัตว์ที่น่ารักสวยงามอันนี้สงของบุญก็คือความสวยงามความน่ารักคนคนใจบุญนี้เป็นคนน่ารักคนสวยงามพอไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ได้ร่างกายที่สวยงามที่น่ารัก ทำให้ใครเห็นก็อยากจะเอามาเลี้ยงมาม า, มาอยู่ด้วยมาเลี้ยงด้วยก็เลยอยู่อย่างสุขสบายแต่ต้องสุขสบายแบบสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าไปทำบาปถ้าไม่ได้ทำบาปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยสวยงามมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเชอค่ะคำถามจากคุณอ้อเรียนสอบถามค่ะพระอาจารย์ยมถือศิลปที่บ้าน ต้องเน้นปฏิบัติเข้าไหนเจ้าคะ่ะถึงจะดับกิเลสได้เจ้าคะ่ะที่บ้านมีห้องปฏิบัติแบบสงบคะ่ะพระอาจารย์ยกติดตามพระอาจารย์ทุกช่องเจ้าค่ะศีลแปก็มีไว้ให้เราหยุดกามาฉันทะนะหยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผดสะพานะไม่หาความสุขจากการเสพรอปเสียงกลิ่นลดไม่ว่าจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ดีกินอาหารมากเกินไปก็ดีกินอาหารตามความอยากหรือดูหนังฟังเพลง ร้องนำทำเพลงอะไรต่างๆก็ดีหรือนอนนอนบนเตียงที่มันสุขมันสบายเกินไปก็ไม่ดีของเหล่านี้เราต้องละเว้นเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญาเจ้าค่ะคำถามฝาดถามมาเจ้าค่ะว่าอยากกลาบเรียนถามว่าสติคืออะไรสัมปะชัญญะคืออะไรสติต่างจากสัมปะชัญญะตรงไหนครับสติคือการระลึกรู้ เราเ ล, ลิเรู้ อ, ร อ, อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคํา บ, บริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่ามีสติถ้าเรามีพุทโธพุทโธนี้เรามีสติแล้วสัมปัชัญญาก็คือสติที่ต่อเนื่องสติที่ไม่เผลอสติที่ยาวต่อยาวไปรู้อยู่พุโทโธอยู่ได้นานๆ น, นี่เรียกมีสัมปัชัญญะถ้าพุทโธได้สองสามคำแล้วก็แวบไปคิดถึงคนนั้นแวบไปคิดถึงคนนี้อันนี้สติก็หายไป สติไม่อยู่กับพูดโทรเมื่อไหร่ก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสติอยู่กับพูดโทรอย่างเดียวไปเรื่อยๆไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เรียกว่ามีสัมปะชัญญาสติสัมปะชัญญา ส, ญญาสติที่ไม่ขาดตอน เช้าค่ะคําถามจากคุณมุดสบาเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, นน ะ, น ค, ะคนที่ฟังธรรมแต่บางครั้งยังทําผิดศีลห้าจะผิดมากกว่าคนที่ไม่เคยฟังธรรมะแล้วทําผิดใหม่เจ้าค่ะไม่ต่างกันหรอกศีลใครทําด้วยสาเหตุนันใดนั้นมันก็เหมือนกันมันก็มันก็ผิดเหมือนกันผิดเท่ากันยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ มีจากคุณคุณเอกเลิฟยูเจา้าค่ะปวด ก, กินบ้านเยอะมากค่ะถ้ากําจัดกลัวบาปถ้าปล่อยไว้แล้วกลัวบ้านถลม่มหรือคนงัดมาบุกลุกเราทําอย่างไรดีคะกังวลใจมากค่ะก็มันก็มีทางเลือกสองทา ง, ทางก็ทําบาปหรือไม่ทําบาปไม่ทําบาปก็ปล่อยให้บ้านมันพังไปหรือไม่ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้มันขึ้น มังคย์สมัยโบราณเขาขุดคลองรอบบ้านเลยขุดร่องน้ำไว้รอบบ้านเมื่อมีร่องน้ำมันก็ไม่สามารถขึ้นได้ไอตัวที่มันอยู่ต่อไปมันก็จะตายไปเองเะนั้นหาวิธีป้องกันไม่ให้มันขึ้นไปสังเกตดูว่ามันจะขึ้นตรงไหนแล้วพยายามไปสร้างที่กั้นไว้สร้างเครื่องกั้นไว้สมัยนี้เขาก็มียาโรยยาพอไม่ได้กิ่นที่มันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบมันก็จะไม่กล้าเดินเข้ามา ก็ตัดทางเดินขึ้นลงของมันได้เนั้นต้องใช้ปัญญาหน่อยต้องใช้วิธีคิดหน่อยเจ้าค่ะจากคุณนันทพรเจ้าค่ะขอถามทำหมันหมาแมวบาปไหมคะไม่บาปไม่บาปไม่ได้ฆ่าเขาไม่บาปไม่ได้ไปทำร้ายเขาเพียงแต่ป้องกันแม่เขาตั้งขันนั่นเองเจ้าค่ะ จากยูทูบเจ้าค่ะสอบถามพระอาจารคนโสดที่ไม่มีคู่ไม่ใช่ไม่อยากมีแต่ไม่เจอใครที่ชอบเขาชอบเราเราไม่ชอบเขาคนแบบนี้เกิดจากทำบาปบุญอะไรคะเขายรียคนจูจจ้จี้จุกจิกไม่สันโดดไม่มากน้อยถ้าคนมากน้อยสันโดษอะไรก็ได้วะได้มากก็อภิาไว้ก่อนดีกว่า แต่คนที่จู้จี้จุกจกอันนี้ก็ไม่เอาคนนั้นก็ไม่เอาก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะไปเจอคนที่ถูกใจครบร้อยเอร์เซนซึ่งอาจจะไม่เจอเลยก็ได้ในโลกนี้เจค่ะจากยู u ูบเจ้าค่ ะ, YouTube, เ, คะเรียนถามพระอาจารย์เคยฆ่าไก่หนึ่งตัวโดยไม่จําเป็นเลยทําอย่างไรจึงจะหมดกรรมต่อกันเจ้าคะเ๋อก็ต้องไปเกิดเป็นไก่ทนะี้เขาฆ่านั่นเ้งหมด าจากยูทูบค่ะขอเรียนสอบถามพระอาจารย์การปฏิบัติบูบชาเช่นภาวนาสวดมนต์ถวายพระรัตนตรัยดีกว่าการถวายดอกไม้บูชาใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นบุญที่สูงกว่าเป็นบุญที่มากกว่านับความทุกข์ได้มากกว่าอมิสบูชา แ้วค่ะคุณใบยกเจ้าค่ะถามมาว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะการนั่งสมาธิถึงสภาวะรู้เฉยในชีวิตประจำวนันจึงจะเฉยเฉยเข้าใจเหตุแห่งผลที่เกิดเจอสิ่งต่างๆจิตใจก็มิได้หดหู่หรือห่อเหี่ยวอ่อนไหวกับสิ่งนั้นแต่เข้าใจในเหตุอารมณ์ส่งส่งที่เคยมีมากลดลงกึ่งหนึ่งต่อไปลูกคน ทำอย่างไรเจ้าคะหรือลูกควรให้คงอยู่สภาวะนี้ก็พยายามลดอารมณ์ให้หมดไปด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ต่อไปอารมณ์รักชังกลัวหลงต่างๆก็จะหมดไปด้วยปัญญายังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามไหม นี่ทีนั่งอยู่ที่นี่ถามได้นะเข้ามาถามได้เจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะถามมาว่าคนที่มีกายหอมชาติก่อนสร้างกุศลอะไรคะตอนนี้ฟังธรรมระจารก็มีกลิ่นหอมข้างตัวเจ้าค่ะกายมันไม่หอมหรอกไอ้ที่หอมมันเป็นอุปทานใจเราไป ไปสัมผัสขึ้นมาเองกายของคนทุกคนนี่มันโสโปรปมันมีแต่ของโสโปรปกปล่อยออกมาอยู่ตลอดเวลามันไม่สวยมันไม่งานมันไม่หอมหรอกแต่ว่าเวลาลักใครขึ้นมานี้ขี้ก็ยังว่าหอมเลยน <c oughs> <c oughs> ันเป็นอุปทานของใจเชอค่ะจากคุณชาลิดาพระอาจารย์เช้าค่ะ คนที่ไม่มีครอบครัวและไม่อยากมีเป็นคนมีบุญหรือคนมีบาปเจ้าคะก็เป็นคนมีบุญนะเพราะว่าการมีครอบครัวก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นถ้า mm hmm. ไม่มีครอบครัวอยู่ต mm hmm. ามลาพังก็ทุกทุกน้อยลงทุกกับตัวเราเพียงคนเดียวถามได้ครับผมปฏิฆาแปลว่า aversion ใช่ไหมครั บ, วว version, รบปฏิฆา yes aversion มี่ไม่ใช่คำศัพทั่วไปคองทั่วไปไม่ได้ใช้ทำน่ใช่ห้ใช้อันนี้อยู่ในธรรมะอืมต้องใช่คําอะไรเธอพูดกับทนองทั่วแบบก็คือความไม่ยินดีไม่ชอบใช่ไหครับไม่ชอบไม่ยินดีหรือความความหุดหงิดใจความหงุดหงิดหุดหงิดเมื่อคุณรู้สึกอันไม่สบายใจหรือไม่สบายใจก็เป็นปฏิกะอย่างนึงครับเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเค เชิญถามต่อเดี๋ยวก่อนให้คนข้างหลังก็ถามก่อนครับผมวลาวผมเข้าสมาธินะฮะจนกระทั่งรวมแล้วก็จู่ๆก็สักพักถอนออกมาฮนะทีนี้ผมพยายามเข้าต่อเนี่ยมันจะมีความยากลำบากในการที่จะเข้าไปดังนั้นผมก็เลยถอนออกมาเสร็จแล้วก็มาเดินจงกรมแทน อันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะว่ากำลังของสมาของสติเรามันอ่อนแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยการนั่งเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแทนเดินแล้วก็เจริญสติต่ออยู่ท้าก็ได้พุโทโธไปก็ได้คอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดเดินไปสักพักหนึ่งพอเมื่อยแล้วอยากจะนั่งก็ค่อยกลับมานั่งใหม่อีกรอบครับผมครับผมขอบคุณครับมีอีกไมอันดูีครับ มีคำถามจากคุณีีรัฒนาเจ้าค่ะทำสมาธิจนถึงจุดอุเบกขาแล้วได้ปิติสุขและวางเฉยเหมือนแช่ให้เย็นไว้ถ้าเต็มเราจะเราจะรู้เองใช่ไหมเจ้าค่ะเพื่อไปตัดความทุกข์ต่างๆได้ขอให้พระอาจารย์ทัดกันแข็งแรงเจ้าค่ะได้เวลาผลเกิดขึ้นนี่มันจะรู้เองมันไม่ต้องไปถามใครถ้ายังสงสัยอยู่ก็สแสดงว่ายังไม่เกิด ผลทางสมาธิมันทําให้เกิดความสุขความเย็นความสบายที่เราไม่เคยเจอมาก่อนค่ะคุณทองมากถามเข้ามาเจ้าค่ะว่าการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ร่วงลับผู้ร่วงลับจะได้รับบุญกุศลนั้นจริงไหมครับก็อยู่ว่าเขารอรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่รอรับก็เขาก็จะไม่ได้รับ เจ้าค่ะคำถามจาก YouTube คุณอนงนาถามเข้ามาว่ากราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเคยชนแมวตายโดยไม่ได้ตั้งใจในวันพระใหญ่ควรจะทําบุญอย่างไรให้แมวเจ้าขาก็ทําบุญอุทิศไปใส่บาตรก็ได้ใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาไปช่วยเขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่ดวงวิญญาณเขาบางทีดวงวิญญาณเขาหมดกรรมเขาอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เขาก็ไม่ได้รับบุญนั้นไปแต่ก็ไม่เป็นไรบุญก็จะกลับมาเป็นของเรา เจ้าค่ะคุณเพลมจตเจ้าค่ะกราบธรรมการและกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเราทราบว่าพระที่มาบินทบาทหน้าบ้านเราท่านต้องไปหาหมอถ้าเราถวายปัจจัยเป็นเงินให้ท่านเป็นค่าพานะเราจะบาปไหมคะกราขบขอบพระคุณค่ะไม่บาปหรอกได้บุญเพียงแต่วิธีรับของพานี้ท่านท่านต้องรู้วิธีรับที่ถึงต้อง บกงคดีท่านจะไม่เขาจะห้าไม่ให้รับกับมือต้องให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่มาที่ตามมาถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ต้องโยมก็ต้องเดินตามไปที่วัดแล้วอาไปถวายทันทีที่กุฏิหรือที่ไหนที่ท่านบอกให้วางไว้แล้วท่านก็จะได้ฝากคนที่ท่านเชื่อใจได้ เจ้าค่ะคำถามจาก YouTube เจ้าค่ะพระอาจารย์มองเห็นความตายเลยไม่เห็นความจำเป็นใดนๆที่ต้องทำหาสมบัติเงินทองเพราะทำแล้วก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเลยต้องมาบวชเพื่อหาความสุขที่แท้จริงใช่ไหมครับใช่ความสุขทางร่างกายมันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ความสุขทางธรรมนี่เราสามารถหาได้ตลอดเวลา เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้ใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้ศีลแทนเชิญครับผมเออผมวางแผนในการฝึกสมาธิแล้วก็เดินจงกรมในช่วงหัวค่ำเนี่ยก็คือเออผมจะใช้การเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงหลังจากจบหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยผมจะนั่งสมาธิต่อแต่ปรากฏว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยผมจะประสบปัญหาเรื่องของการง่วงนอน ทีนี้ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมแทนจนกระทั่งถึงสามทุ่มอันนี้จะได้ไหมครับได้ไจะเดินมากก็นั่งก็ได้ถ้าถ้านั่งแล้วมีปัญหาก็เดินไปก่อน<ม>บางองค์เดิน4ี่ห้าชั่วโมงอะไรก็มีบางท่านท่านนิยมท่านชอบเดินก็เดินแล้วได้สติได้ได้ได้ความสงบดีกว่านั่งท่านก็เดินไปก่อนแล้วต่อไปท่านก็จะมานั่งได้ พอมันจะถ้ามีสติมากขึ้นมากขึ้นความวุ่นวายมันก็จะ น, น้อยน้อยลงไปหาหไปขอบคุณครับมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกระดับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาการที่เหมือนมีความคิดถามตอบกันเองเช่นเกิดข้อสงสัยขึ้นมาแล้ว มีความคิดตอบขึ้นมาเองแบบนี้คืออาการของอะไรหรือเจ้าขาก็สังขารความคิดตุ้งแต่งของเรานะมันคิดคําถามขึ้นมาแล้วก็คิดหาคําตอบขึ้นมาเองจน ก, กว่ามัญญหาคําตอบไม่ได้มันก็เลยต้องไปถามคนอื่นต่อไป ห, หาอาจารย์ไปถามจากอาจารย์ชินเจ้าคะ่ะคําถามจาก youtube พ่อเสียชีวิตไปสีสิบปีแล้วจะมีวิธีรู้ไหมคะว่า ว่าพ่อไปเกิดหรืออยู่พบภูมิที่ดีหรือไม่อ๋อก็ต้องมีอภิญญาต้องมีจิตที่สามารถที่จะอ่านจิตติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้อื่นได้เ <c oughs> ช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอภิญญาท่านสามารถคนดูว่ามารดาอยู่ที่ไหนได้มารดาที่ตายไปหลังจากที่คลอดพระพุทธเจ้าออมาได้เจดวัน <c oughs> พระพุทธเจ้าพอตัดชลุปเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อภิญญาด้วย อภินยาก็คือมีความสามารถที่จะไปท่องอยู่ในโลกทิพย์ได้ไปค้นหาดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์ได้ท่านก็ค้นหาจนพบ ว, ว่าอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวเดงหรือชั้นดุสิตนี่ก็เลยไปสแสดงธรรมโปรดมารดาติดต่อกับพุทธมารดาสแสดงธรรมจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดามันขึ้นมาได้ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ไม่มีอภิญญาก็จะไม่สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ อันนี้เป็นความสามารถพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือไม่เจ้าค่ะจากคุณจักพิมายกระดาษนมัสการเจ้าค่ะแฟนที่เราครบเสียไปนานแล้วสี่ปีแต่ทำไม เขายังมาเข้ามาอยู่ในฝันของเราแบบยิ้มยิ้มแย้มปกติทั้งที่เราไม่ได้นึกถึงหรือเอ่ยถึงเขาแต่เขาจะมาในวันสําคัญเช่นวันเกิดวันที่เสียชีวิตแบบนี้เรียกว่าอย่างไรคะก็ความฝันก็เป็นความคิดเนี่ยเวลาเรานอนหลับแล้วความคิดมันยังไม่หยุดมันก็กลายเป็นเรื่องฝันขึ้นมาท่านเองก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากใจเราคิดถึงเขาแล้วก็ฝันถึงเขาถ้าเขามาหาเราจริงๆนี่เราต้อง คุยกับเขาได้แล้วเขาต้องเล่าให้เราฟังว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนอย่างไรได้แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุยกันนี้ส่วนให ญ, ญ่ก็จะเป็นเกิดจากการที่เราคิดถึงเขาแล้วก็ฝันถึงเขาไปทั้งนี้ก็ไม่ต้องไปถือเป็นสาระประเด็นสําคัญอะไรถือว่าความฝันก็แค่เป็นความฝันไม่มีไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราอย่างอย่างอย่างอย่างตรงไปอย่างยังตรงกับชีวิตของเรา เราก็ไม่ต้องไปกังวลเติ่ขึ้นมาเราก็เจริญสติเจริญปัญญาต่อไปเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีคําถามก็เอาเท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด <สา S 1>